أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقر الصحب و ن ع و ذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما ي د ل ل ه فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآكرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى و د ي ن الحق سيظهره على ا ل ي ن كله ولو كله الكافلون. أما ب لقد قال الله تعالى في كتاب الكريم: "بعل ع ذ ب الله م ش ي ط ا ن ا ل رتيم". ق د أ ف ر ح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي ا ل ص ح ف الأولى ص ح ف ي إبراهيم وموسى. ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้อาจจะผิดเวลานิดหนึ่งเรามาคุยกันในวันศุกร์นะครับแต่ก็ไม่ใช่แล้วขอให้พวกเลือให้การที่เราได้มาพูดคุยกันนี้มีบารักะนะครับทั้งท่านที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมตอนนี้หรือท่านผู้ที่ได้มารับชมทีหลังนะครับผมขอบคุณคุณอารีนา่ามากนะครับสําหรับกําลังใจแล้วก็สลับมานะครับต็หวังเป็นสลับตัวเรือกบารักะทุกเจาจะกลมกล่อมไว้ให้รังครับจากผู้เกี่นะครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับก็ ในสุรตุราลาล่เนี่ยเป็นหนึ่งในสุรที่ว่าเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับเวลาละหมาดแล้วก็อิหม่น ม, มักจะใช้กันในละหมาดวนันศุกร์หรือว่าในละหมาดต่างๆซึ่งอย่างที่เราพูดคุยจะมาจะถึงตอนเนี่ยก็ความหมายของสุรานี้มีประเด็นที่ชวนให้เราขบคิดแล้วก็มีประเด็นที่งดงามอยู่มากมายแล้วก็มีข้อเตือนสติเตือนใจพวกเรานะครับผม เรายังคงคุยกันอยู่ในส่วนของอายะที่16นะครับบาตุซีรุนั้นายาตัดยุนยาอายะนี้คงต้องคุยกันยาวที่ต้องใช้เวลากันยาวนะครับผมเพราะว่ามันคือทั้งหมดของพวกเราตอนนี้คือชีวิตเราตอนนี้ผู้ที่ยังรับชมอยู่ตอนนี้แปลว่าเรายังอยู่ในดุนยาชีวิตยังยังเป็นชีวิตอยู่ในดุนยา มีอะไรมากมายที่เราต้องทํามีอะไรมากมายที่เราต้องไม่ทํามีอะไรมากมายที่เราต้องระวังมีอะไรมากมายที่เรานั้นต้องให้ความสําคัญบัตุซิรูนารายาตุจุนญาเรารู้และในขณะเดียวกันเราก็เผือเลยมากมายทายาตุจุญญาเมื่อวานที่เราพูดคุยกันวันก่อนที่เราพูดคุยกันในเรื่องของชีวิตดุญญาเราได้พูดถึงความหมายของคําว่าดุญญาเราก็รู้ว่าดุญญาเนี่ยมันแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้หรือว่าเป็นสิ่งที่ต่ําต้อย ช yet, so they, ีวิตตึงยาถ้าเกิดเปรียบเทียบพวกลอ์าสตาเปรียบเทียบให้เราเรียบร้อยละนวันนี้ก็วันศุกร์้วก็คุยกันกับซุลาแกฟเอามาอธิบายซูล่าอะไรที่เรากำลังพูดคุยกันพรเจาบอกว่าครับวิะุมมลอลิตนะกาอินอันลนูมินสม่าตบีนบะตุอัฟาสะฮชีมนตูรุลยะวะกนลลกุลิชัยมุคตดีรอพะเจาได้บอกว่าไงครับจงเปรียบเทียบให้เขาฟังสิ การเปรียบเทียบที่มาจากพวกเราพวกเราไม่เปรียบเทียบจากสิ่งที่โกหกแน่นอนพวกเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนวัดล um, ิบลาหุมมมัสลายฮยาติดุนยาพวกเราบอกว่ามุฮัมมัดเ อ, อ๋อเจ้าจงเปรียบเทียบให้พวกเขาได้เข้าใจให้เขาได้เห็นภาพให้เจ้าได้รู้สิถึงชีวิตในดุนยาที่พวกเขากําลังทุ่มเทถึงชีวิตในดุนยาที่พวกเขานั้นทําทุกอย่างเพื่อได้มันมาถึงดุนยาที่พวกเขานั้นกําลังถูกทดสอบ ปัวล้อบอกว่าดุนยาเป็นยังไงครับเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งงดงามเป็นสิ่งอะไรพัวลรอบอกว่าเปรียบเทียบชีวิตในดุนยามันก็เหมือนกับหยดน้ําหยดน้ําครับกามอินอนเจลนาฮุมินัสมะเหมือนกับหยดน้ําที่ปัวล้อหลั่งมาจากฟากฟา้าพอเราคิดถึงภาดนี้มันคือความสดชื่นมันคือความสดใสมันคือชีวิตชีวาถูกไหมครับน้ําคือชีวิตชีวาโดยเพราะน้ําที่หลั่งมาจากท้องฟา้า น้ำเมื่อมันหลั่งลงมาจากของฟ้าครับเราก็จะมีทั้งความหวังมีทั้งความสุขมีทั้งความปาา่าเถื่นเพราะว่าบอกนี่แหละเหมือนชีวิตในดุนยาเมื่อเราเกิดมาใช่ไหตอนเราเป็นเด็กแล้วก็มีแต่สิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้มีสิ่งที่น่าสนใจเมื่เรามีความหวังเรามีความฝันมากมายแต่พอเราโตมาโตมาความฝันมันก็ค่อยๆหายไป <ๆ S 2> ก็อยู่กับความเป็นจริงแล้วบางทีก็อยู่กับความเป็นจริงมากเกินไปจนลุดไป วัตถิภูมิมาสรายจากติณ ญ, ญาปียทเทเื่อเขาฟังสีถึงชีวิตในดุนยาที่มันเหมือนกับน้ําที่หลั่งมาจากฟากฟ้ากาอินอันเซลนาหูมิลสมาอิฟักตาลาตบินาบาตุลอัรแล้วมันก็มาคุกเขากับเมล็ดพันธุ์พืชที่อยู่ในดินน้าเมื่อหยดลงมาเจอพื้นแผ่นดินเช่นครับคุกเขากับเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์พืชนั้นก็ค่อยๆเจริญเติบโ ต, ต, ตออกมา ก้อนงอกออกมาจากคุ้นแผ่นดินก็เหมือนกับชีวิตพวกเราที่ว่าเราก็เริ่มต้นมาถ้าพุ่งคลอดมาก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งได้น้ำแล้วก็พุ่งกําลังที่จะแตกออกมาเป็นต้นกล a หรือถ้าเ ก, เกิดใครที่แม่ยุ่แล้วก็เริ่มเป็นต้นที่ว่าเริ่มมีกิ่งก้านสาขามีใบมีดอกมีผลออกมาให้ผลได้ใช้ประโยชน์พเพื่อนเกล่าวไงครับหลังจากที่บอกว่า gamma in anza hu minasmai f as a c t ั la tabina batul arfas bahashi มัน t a s o r u k a r y a สุภาเราพื่อเราตัดบทแบบเห็นภาพจบเลยในทีเดียวสุดท้ายของความชุ่มฉ่าสุดท้ายของความกำยำสุดท้ายของความแข็งแรงของความแข็งเก่งของการแตกกิ่งก้านคืออะไรครับความเหนี่ยวเฉาแล้วก็แห้งกลังถูกไหมครับต้นไม้จะเป็นไงก็ตามถึงเวลาเมื่ออะไรก็ตามเมื่อมันผ่านจุดสูงสุดของมันสิ่งที่เราอยู่ก็คือจุดจบ ทุกสิ่งทุกอย่างครับหรือริ้ใช้อินดามาตามมนุษยรสอนอะไรก็ตามเมื่อมันสมบูรณ์แล้วมันก็จะบกพร่องเหมือนกับมนุษย์เราเติบโตไปเติบโตไปเติบโตไปจะถึงช่วงที่แข็งแรงกำยำสมบูรณ์ความคิดอ่านเต็มที่มีพลังมีวังชามีความสามารถอะไรพอถึงจุดนั้นปุ๊บที่เราอยู่ก็คือการเสื่อมถอยนี่คือสัจธรรมของดุนยาเมื่อมีก็สูญเสียได้เมื่อแข็งแรงก็อ่อนอได้ เมื่อไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถมีโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะเราว่าการตัสรูหุริยาตัสรูหุริยาก็คือหลังจากนั้นพอแห้งเกี่ยวแห้งกลางไปมันก็ถูกลมพัดปิวหายไปเป็นการอธิบายที่เห็นภาพได้ในวัคซงสัน้นหยาดน้ําหยดลงมามีแต่ความชุ่มฉ่ำมีแต่ลายลงมาฟุกเขากับเมล็ดพันธุ์พืชที่พร้อมที่จะเริ่มต้นกลายเป็นต้นกล้ากลายเป็นต้นไม้หลังจากนั้นก็ แห่งเหี่ยวเป็นสังกตายแล้วก็ถูกลมพัดหายไปกับตาพี่น้องวาดภาพออกไหมล่ะเวลาที่เราไปดูอาจจะไปดูตามทะเลทรายไปดูสถานที่ที่มันแห้งแล้งมากๆต้นไม้ต้นหนญ้าที่บางทีมันเคยเขียวชุ่มถึงเวลาพอมันแห้งปุ๊บเป็นไงครับมันก็แห้งกางแล้วก็โดนลมพัดไปเพราะว่าบอกนี่แหละคือดุนยาทั้งหมดเปรียบเทียบให้เจ้าเห็นภาพชั ด, ชดๆเจ้าไม่ต้องไปศึกษาปราัชญาไม่ต้องไป สอบถามไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเนี่ยโพล้อยกออย่างให้เห็นอยากรู้ว่าชีวิตวิทยาคืออะไรใช่ไหมนี่แหละโพล้อเปรียบเทียบ er ไม่ได้เปรียบเทียบ er อย่างมีอคติด้วยไม่ได้บอกว่าเป็นชีวิตที่มีแต่ความชั่วร้วายเลวร้ๆเป็นชีวิตที่แบบว่าอย่าไปยุ่งกับมันสนแต่อารักเกลเย่ไม่ใช่โพล้อเปรียบเทียบ er เห็นชัดเจนมันคือความหวังมันคือความฝันมันคือความหลังด้วยมันคือสิ่งที่งดงามมันคืออะไรมากมายที่มันก็คือจริงสิ่งนี้มันเกิดไปแต่ว่าสิ่งที่รออยู่ก็คือจุดจบ ทุกชีวิตเป็นแบบนี้ น, ญญนี่คือดุนยานี่คือดุนยาที่พระบ๊อบว่าวติปะหุมเปรียบเทียบให้เขาฟังสิไปแล้วพี่น้องที่รักยิงครับเมื่อเราพูดโดยเพรในกุรานที่บอกว่าบบลตุสิรุนทายาตติมยาการที่เราเลือกดุนยาเนี่ยตกลงมันแปลว่าอะไรคำว่าเลือกดุนยาเนี่ยหมายความว่าเราพอใจกับมันถึงแม้มันจะมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่เราก็พอใจกับมัน คำว่าเรื่องวิญญาเนี่ยหมายความว่าเราสงบที่ได้อยู่กับมันพอคิดถึงความตายพอคิดว่าต้องจากมันไปปุ๊บเรารู้สึกใจไม่สงบนี่คือเราเลือกวิญญาเพราะตรงกันข้ามเับผูดสัทธาหัวใจเขาจะสงบเวลาที่เขาคิดถึงโลกหน้าตรงกันข้ามนะพี่น้องผู้ไปเสสัทธาหัวใจเขาจะสงบเมื่อเขาคิดถึงดุญญาเมื่อเขาคิดว่าอะไรอะไรจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย แล้วยินงเขาคิดถึงโลกหน้าคิดถึงความตาอยอ่ะโลกหน้าเปื่าเขาไม่เชื่อถ้าคิดถึงความตายเนี่ยความสงบจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ผูดสัตยานะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยดุงยาเนี่ยพระรัตน์บอกว่าเหนื่อยซะให้เหนื่อยซะให้เต็มที่เอาให้เต็มที่พอเราคิดถึงอายเคล้าเราใจสงบเราจะได้พักผ่อ <ๆ S 2> นเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องมาทุ่มเทเราจะได้ไม่ต้องมามีความหวาดกลัวจะได้ไม่ต้องมีการสูญเสียคําถามให้พี่น้องตอนนี้เลย ใจเราสงบกับอะไรสงบกับดุนยาหรือสงบกับอเคิราะก็ไม่ต้องหลอกตัวเองครับตอบตัวเองเอาคําตอบตรงตรงครับเพราะนั้นบันตึกสื่อรื่องรยาตัาดุนยาก็คือการที่เรานั้นสงบกับยุนยาการที่เราพอใจกับยุนยาการที่เรานั้นไม่สนใจกับไอเคิร์ลเลยถ้าเราพยายามทุ่มเทพยายามสนใจอ ย, อยู่อัลฮัมดุลิลละครับเราพัฒนาเราเปลี่ยนแปลงได้ซึ่ง ที่ผมว่ามาเนี่ยที่บอกบรรทุนสื่อนัตยาตุยามาถึงคนที่สงบกับดุยาคนที่พอใจกับดุยญญาเนี่ยอยู่ในยักกุรานสรับยูนสครับพราะากวอินนัลลดีนัลยจูนลิกาอนยอันนี้คือหนึ่งวารดูบิลฮยติดยุยาสวัมะอันนูบิฮสามวัลลดีนะุมอันอายาตินาครฟิูนอันนี้สี่เพราะเรารวมจัดมัดรวมกลุ่มไว้เลยเพราเราบอกอย่างี้ครับแน่นอนบรรดาผู้ที่เขาไม่หวังที่จะได้ไปเจอกับเรา ใครนะครับพู้ที่ไม่เชื่ในโลกน่ไม่หวังไว้ได้เจอกับอัลลอฮ์เพราะใครก็ตามหวังว่าจะได้เจอกับอัลลอฮ์โคโรสซาลกาประมาณแกนะ ย, ร ย, รย อ, อร์จูเดียโกอารอบีฟเลียมันอามันซอนเห็นเพราักลก่าใสุดรักกาแฟช่วงท้ายว่าไงครับใครก็ตามที่เขาปรารถนาจะได้เจอกับอัลลอฮ์ที่เขาคิดไม่ได้เจอกับรอที่เขาหวังว่าเขาจะได้เจอกับนายของเขาในวันเกียร์นะเขาก็จงทําการงานที่ดีแล้วก็จงอย่าได้ตั้งปากีเมสแต่สักอย่างกับขาที่รกากล่าในสนทุดรักกาแฟ ว่าอะไรครับถ้าเป็นผู้เผยเศรัทธาเขาไม่หวังที่จะเจอกับ Allah. อัลลอฮ์คำถามต่อมาถามพี่น้องเราหวังไม่อยากเจออัลลอฮ์เคยคิดในใจว่าฉันอยากเจออัลลอฮ์นะฉันอยากเจอานายของฉันนะฉันจะได้เจอเพระองค์นะถ้าเราคิดพี่น้องเราจะมีความสุขเราจะระมัดระวังกับดุลยามากยิ่งขึ้นว่าเราดูบิลฮัยาติดดุนยาพู้เราบอกหากคุณลักษณะแรกนะผู้ที่ไม่หวังว่าจะไปเจอกับเราอันที่สองแล้วเขาพอใจกับชีวิตในดุลยา อันตร า, ายนะพี่น้องใครก็ตามที่พอใจกับชีวิตในดุนยาอดฉันมั่งมีแล้วฉันร่ำรวยแล้วฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างอฉันจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าพวกราจะพลิกแป๊บเดียวทุกอย่างจบทุกอย่างจบครับพี่น้องวจมาอันูวิหาแล้วเขาก็มีจะมือความสงบเมื่อได้อยู่ในดุนยาสามข้อตรงไหมอันนี้แหละที่ผมบอกบัลตุสรนัยัตยุนยาแต่ถ้าว่าเจ้าเลือกดุนยาก็คือนี่แหละ ไม่คิดไม่หวังว่าจะได้ไปเจอกับผู้ล้อในโลกหน้ามีความพึงพอใจกับโลกนี้อาหารอริดอร่อยที่เที่ยวสนุกได้อย่างนั้นได้อย่างนี้อาจพึงพอใจอันที่สามมีความสงบเมื่อกี้ถึงหยุดหยาบอันที่สี่ผู้ล้อมัดเหมาอาจจะเหมาพวกเร า, า, า, จจาวเราวมไปด้วยและบรรดาผู้ที่เขาหลงลืมจากการเตือนของเราหลงลืมจากสัญญาณของเราเป็นผมไหมเป็นพี่น้องหรือเปล่า เมื่อนกูรียนครับเราต้องตรวจสอบตัวเองให้เยอะๆฟันัลกคิดใช่มั้ยครับที่โพลัสซูบาตาลาบอกว่าจงไข้ควรจงคิดสิคิดให้เยอะสิตรวจสอบตัวเองให้มากสิเพราะเจ้าจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เจ้าพลาดไปหลังจากนั้นครับพี่น้องที่รักยิงครับถ้าเรามาดูในิสราอัมบิยะว่ามาจากอันนาลิบาชารีมินกอบิกลฮุลอาฟอัย ม, มิตฟะฮุมอัลขาลิดูน ถ้าใครก็ตามนะครับที่ยังรู้สึกในเรื่องที่ว่าดุนยาคือทุกสิ่งทุกอย่างเขายังรุ่มหลงกับดุนยาในสระอัมบิยะเนี่ยพวกเราเตือนสติพวกเราทุกคนไว้พวกเราบอกไงครับแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้ให้มนุษย์ก่อนหน้าเจ้าซักคนที่เขามีชีวิตเป็นอมาตะานะถ้าพี่น้องคิดเราจะตระหนักถตงเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ใครก็รู้แต่ว่าในพฤติกรรมเราหลงลืมกันไป พัวล้อบอกว่าพัวล้อไม่เคยให้มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวที่มีชีวิตเป็นอมาตะแปว่าทุกคนไม่ว่าเขาจะมีความทุกข์เขาก็ตายไปแล้วไม่ว่าเขาจะมีความสุขเขาก็ตายไปแล้วคนที่มาก่อนหน้าเราถูกไหมครับเขาจะมีความสุขแค่ไหนก็ตามจะเป็นผู้ศรัทธาจะเป็นไม่ใช่ผู้ศรัทธาจะอะไรก็ตามคนที่มาก่อนหน้าเราจะทุกข์จะสุขจะเหงาจะเศร้าจะกลัวมีไม่มี ไอ้ที่เราเป็นอยู่ตอนเนี่ยคนก่อนหน้าเราเจอไหมก็เจอเพียงแต่พวกเขาบอกี้ครับเราไม่ได้ทําให้มนุษย์ก่อนหน้าเจ้าแม้แต่คนเดียวที่มีเป็นอมะตะนะเจ้าคิดว่าเจ้าจะตายแล้วพวกเขาจะไม่ตายกันนั้นหรือบางคนแบบรู้สึกห่วงไอ้จาเฟสเอาไปหมดแล้วผู้ที่ไปเสด็จพระเจ้านะเขาเอาความผาสุกในดินยาไปหมดเขากินทุกสิ่งทุกอย่างว่าฉันก็อยากกินด้วยเขาไปเที่ยวทุกที่ฉันก็อยากเที่ยวด้วยเขาทําทุกอย่างฉันก็อยากทําด้วยกลัวว่าเขาจะาไปหมดพวาะเขาบอกว่าไงครับ เจ้าคิดว่าเจ้าจะต้องตายแต่เขาจะไม่ตายกันนนั้นหรนือไม่ผลสุดท้ก็ตายกันหมดตายกันหมดจริงๆคุลนับสินใจกระตุนเหมาปูอ๊อฟพูดสรุปไปเลยว่าทุกชีวิตนั้นต้องลิ้มรสชาติของความตายเพราะความตายมีรสชาติครับพี่น้องและมันคือความทรมานที่เราเรียกว่าสักการะตุนเมาที่พูอ๊อฟสุภาษิตเก่าในกุฎานเรียกว่าสักการะตุนเหมาความตายมีรสชาติแล้วทุกคนต้องลิ้มรสชาติก่อนหน้าเราลิ้มรสชาติไปแล้ว แล้วเราจะต้องรินรสชาติแล้วคนอื่นก็ต้องดินรสชาติเช่นเดีวยวกันวันนบาลูกุมบิชารีวัลค่อยรีฟิตเนตันว่อีเลนตูตาเฉอุนเพะเาบอกไครับแล้วเราเนี่ยจะทดสอบพวกเจ้าทั้งความชั่วร้ายแล้วก็ความดีทั้งสิ่งที่ดีทั้งสิ่งที่ชั่วร้ายมันจะเจอกับเราทั้งสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ไม่ชอบมันจะเจอกับเราทั้งสิ่งที่เรากลัวเราไม่กลัวมันก็จะเจอกับเรา ว่าอีลน์นะตัวรชาอุนงดงามพวกเราหลังจากที่บอกว่าจะทดสอบพวกเจ้าทั้งความดีกับความชั่วนะแล้วเจ้าต้องกลับมาหาเราทดสอบไม่ใช่แล้วทดสอบแล้วจบไม่ใช่ตายแล้วจบความตายเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสถานะที่พวกเราต้องระวังเพราะเมื่อไปแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วก็ไม่มีการเตือนว่ามันจะเกิดขึ้น ว่าถ้ารักที่นั้นคัฟรูจะตั้งดูนักอิลลัฮูซวาอ่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาจาาาาาาาาาาาาาาาาากาาาาา่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาากาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา่าา้าาาราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาางาาาาาาาา เวลาเราเห็นใครทําเหมือนกับเราเน่ยจะไปด่าเขาโดยที่เราลืมว่าตัวเราเองน่ยบางทีทํานี่กว่าเขาซะอีกคุยแล้วก็อินเซนตมินอาจจันตซอูีกุมอาญาตีฟลาตัสจาริลูนพวกเราบอกเลยว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเน่ยใจร้อนเราใจร้อนหมดแหละยิ่งยุคนี้ยิ่งอะไรมันเร็วแล้วยิ่งใจร้อนขึ้นความอดทนยิ่งน้อยลง การรอยิ่งรอไม่ได้ขอด้วยปุ๊บจงได้ทันทีคนทําความชั่วมันต้องโดนลงโทษทันทีสิคนทําความดีต้องได้รับการตอบแทนทันทีสิฉันรู้ศาสตร์ตึกความดีมาเยอะแล้วทําไมฉั น, นยังไม่ได้ดีผู้ยกระดับอินซรนุมินอาจารย์มนุษย์นั้นถูกสร้างมาใจร้อนซาอูรีกลุ่มฆ่าจใจเจ้าเห็นสัญญาณของฆ่าเวลาตัสยาชิรูนอย่าได้มาเร่งฆ่าอย่าได้มาเร่งฆ่าถึงเวลาเจอเนี่ยแล้วถึงเวลาเจอแต่จะมาคิดเสียใจว่าไม่น่าได้เจอเลย บางคนก็บอกเมื่อไหรล่ละ น, นั้นวะัปจามีก็ให้ฉันเห็นสิให้ฉันถูกลงโทษสิเดี๋ยวถึงเวลาถูกมาโทษมาแล้วจะเสียใจในภายหลังเวยากูรูนามาตาฮาจารวาโดยอินกุลจุมซอดีกินซึ่งพวกเขาก็จะว่ากันว่าไหนล่ะที่สัญญาไว้ในธรราสัจจริงเอาให้มันเกิดขึ้นจริงจริสิสุบาลว่าพวกล้อพูดมาก่อนเลยบอกว่าไงนะครับมนุษย์เนี่ยใจร้อนเห็นแน่นอนถ้าสังเกตดูนะครับอายายเนี่ยพวกล้อสลับกัน ปกติเราจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะบอกว่าสัญญาอยู่ไหนล่ะถ้าจริงแล้วเราถึงจะบอกว่ามนุษย์ยใจร้อนแต่นี่พวกเราบอกกันเลยว่ามนุษย์ใจร้อนเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นแบบนี้แล้วมันจะต้องเสียใจทีหลังเราอย่าละมุลละีนะก็ฝรุ้งให้นาลาย่กู้ฟ a ้นอันมุชูหิมนาร์เวลาอันดูฮุริหิมเวลาขุมยุงซารูนหากพวกเขาจะได้รู้หากพวกเขาจะได้รู้ พวกเขาคือใครผู้ไปเศสศธาหรือใครก็ตามที่เลือกทางเดียวกับผู้ไปเศสศัทธาเห็นเขามีอะไรอยากมีมั่งอยากเห็นเขาเป็นอะไรอยากเป็นมั่งเห็นเขาทำอะไรอยากทำมั่งหากผู้ไปเศสศัทธาจะได้รู้เมื่อถึงเวลาที่เขาไม่สามารถปกป้องใบหน้าของเขาได้ไม่สามารถปกป้องหลังของเขาจากไฟนรกได้แล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาด้วยเวลาอันตรายมาครับเราจะรอดได้ก็คือมีใครมาช่วยเราไม่งั้นเราก็ต้องปกป้องเอง มีสองอย่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครช่วยเลยแล้วเราก็ปกป้องตัวเองไม่ได้สิ่งที่รออยู่ก็คือความหายนะที่น่าสยดสยองผู้รับอกว่าเพียงเขาจะได้รู้เบลต์ตีฮิมเบลต์เตนฟาตบัตะตห์มุนฟะลาเยสติยองูนรัดเดฮาวลาคุมยุนซารุนแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยมันก็จะมาหาเขาแบบ ทันทีสําควัญเลยคือที่เขาท้าที่เขาบอกว่าอยากเจอนะครับผมฟัตตตะตูหุมนะครับผมถึงเวลามันจะมามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวครับแล้วเคาก็จะรับมือไม่ทันวะลากัยสซีอะบิรุซูลิมินกับลิกะฟะฮากะบิลละีนะซะกะรุมินฮุมมากานูบิยัสตัซิอูนแน่นอนได้มีการดูถูกถากถางเกิดขึ้นกับศานทูต ทุกคนก่อนหน้าเจ้ามาก่อนแล้วนบีทุกคนโดนมาหมดครับดูถูกถักถานแล้วคนที่ถากถางเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้เจอในสิ่งที่พวกเขาถากถางไว้อว่าไ ม, ม่มีหลักการลงโทษไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีการลงโทษในรูปฝังศพไม่มีพระเจ้าไม่ลงโทษแล้วหรอกเพราะว่าบอกว่าคนดูถูกไม่ใช่เพิ่งมามีในยุคนี้นะพี่น้องคนที่ด่าว่าเราคนที่เหยียดหยามเราคนที่ทําร้ายเราไม่ได้มีแค่เพิ่งมีแค่ในยุคนี้มีมานานแล้ว เราซูนทุกท่านโดนมาหมดแล้วแล้วทั้งหมดนั้นก็เจอสิ่งที่แต่ละคนคู่ควรแล้วบรดาเราซูนกับผู้ศรัทธาที่อดทนก็ เ, เจอสิ่งที่พวกท่านเหล่านั้นคู่ควรบรดาผู้ไปเส็จศรัทธาที่ดูถูกก็ตายไปแล้วไงแล้วเขาก็เจอสิ่งที่เขาคู่ควรเพราะฉะนั้นมันกลับไปหาอะไรครับมันกลับไปหาว่ามาจะอันนาลิบาชาลิมิงกอปลิกาลคุลเราไม่ได้ทําให้มนุษย์สักคนก่อนหน้าเจ้าเป็นอมาตะนะเจ้าคิดว่าเจ้าตายแล้วเขาจะไม่ตายแค่นั้นหรือ ข้าวิทาริสุลขงสราฟุร์กันบอกว่าแล้วที่ไม่รู้จะได้รู้ี่เขาไม่หวัรับาจอไดเมาพบกับเราเนี่ยเขาได้บอกว่าเนี่ยทำไมมาลากา์ไม่ลงมาจัดการเราสักท no ีหรือทำไมเราไม่เห็นอัลลอ์ล่ะถ้าเราจริงให้เราเห็นสิ ว่าลราลกิสตักบารูพวกเขานั้นได้ยัสโวได้ทะนงตนพวกเราต้องลงมาเจอเขาเพื่อให้เขาเชื่อกันนั้นหรือว่าอาตาอูตุวันกะบีรอเขาได้ล้าเส้นไปเยอะแล้วนี่คือการล้ำเส้นพี่น้องแล้วมันมีราคาของมันอยู่ราคาของการล้ำเส้นมันมีถึงเวลาที่ต้องจ่ายจะไม่มีใครสามารถจ่ายมันได้ เยาว์มีร่างวัน ا م ل م, م ل ในวันที่พวกเขาว์มือดิล ا ل กาแล้วบอกจะได้เห็นไม่ต้องกลัวอยากเห็นใช่ไหมจะได้เห็นแน่นอนใครที่บอกอนนัี้ลงโทษสิเอ้าทนชิบลินเคยพามาเล า, ามาจะทำลายกลุ่มคนทำลายนบีใช่ไหมอ้าขึานะลงโทษ่าสี่เอามาเลกาลงมาสิพวกเราบอกไลยครับวันนั้นวันเกียรมาทุกคนเจอแน่นอนในวันนั้นทุกคนจะได้เห็นมาลกา ที่วลาบอกมาเป็นทิวแถวมาแบบเป็นแถวลาบุชรอในวันนั้นไม่มีข่าวดีอีกแล้วสำหรับผู้ที่ทำความชั่วร้ายแล้วมะละาลาก้ก็จะบอกว่าเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับอะไรดีอีกแล้วอยากเจอมะละกาลาก้ก็เจออยากได้ฟังจะได้ฟังว่ากอดิมเนอีลามาอามิดูมินอาเมลินฟะเจลนาฮูฮาบาอัมมันธูรอเลวราก็จะได้ นำไปสู่สิ่งที่พวกเขาทำซึ่งเราจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไรค้ค่าพัวล้อก็จะให้พวกเขาเห็นนำเสนอให้เขาดูเอาให้เขาดูแล้วอะไรบ้างที่เขาทำและทั้งหมดที่เขาทานั้นมันกลายเป็นฝุ่นที่ไ <ๆ S 2> ร้ค่าอซ <losers>. าบุนเจนติโยไมดินคอยมุสตะกอรา ว, วาอัสานุมาคีลา แน่นอนชาวสวรรค์ในวันนั้นเขาจะได้รับแต่สิ่งที่ดีงามได้ที่พรมนักที่ดีงามแม่นั่นแหละคือเขาจะได้ฟังแต่สิ่งที่ดีงามและแน่นอนครับพี่น้องที่รักนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นปรารถนาเพราะฉะนั้นอย่าได้ลืมพี่น้องอย่าได้หลงลืมอย่าได้ให้ทําให้ดุนยานั้นมันทําให้เรานั้นสูญเสียจุดยืนทําให้เราหลงลืมไปว่าดุนยานั้นมาเป็นเพียงแค่สิ่งที่ใกล้ตัวที่มันต่ําต้อยและสิ่งที่รอเราอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ มันสวยงามแล้วก็ชัดเจนจนะทั้งก็ดุนยานั้นเทียบไม่ติดครับผมก็สําหรับวันศุกร์นี้ก็หวังว่ า, าในเซสชั่สันส้นจะยังประโยชน์กับพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งตัวผมเองนะครับอินชาลอ้อเดี๋ยวที่หน้าเรากลับมาคุยกันต่อวันนี้ก็อย่าลืมถ้าท่านใดยังรับชมในวันศุกร์อยู่ก็สุนั้นในวันศุกร์นะครับก็มีมากมายอย่างไร้สุดก็คืออ่านโซลกราฟีอาบน้ําผมาสิ่งหอมๆสาหรับผู้ชายนะครับผมแล้วก็ไปมสัสยิดให้เร็วๆนะครับไปทางนึงจับทางนึง เพื่อจะได้ยิ่ยมเยียนพี่น้องด้วยแล้วก็ใครที่สามารถบริจาคให้ความช่วยเหลือทําความดีให้ทำแต่ครับในเรื่องสิ่งนี้เป็นดีงามเราจะไม่มีทางเสียใจแน่นอนอย่าลืมครับผมว่าพวกเราเตือนเราไว้ว่าบรรตุกสิรูนั้นหยาตดณฑ์ยาแต่ว่าพวกเจ้านั้นได้เลือกชีวิตในดุนยาลุ่มหลงกับชีวิตในดุนยาเราก็พยายามเอาตัวออกห่างจากดุนยาในส่วนที่เราทําได้ครับครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันในยะต่อไปก็คือว่าอาเรลตุคอยรูบ อ, บอัะกอและอาคิระนั้น ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่จะอยู่ถาวตรตลอดการเปก็มาคุยกันในค่ำคืนเช้ า, ชาวะครับผมสำหรับพี่น้องที่ทักทายมาครับคุณจอยอสลามมาวันกุศรามุตุล้อบวราบารการตู้คุณอาซานันนะครับสลามยามเช้าแล้วก็สลามมาก็วันกุสลา ม, มุ ต, บบตุล้อบวรบารกาตู้อาจารย์คอรีสนะครับให้กําลังใจเช่นเคยก็จะสากุมูมลอของค่อยรๆครับผมวันนี้รวบลัสนะครับสั้นนิดนึงนะครับผมก็ผิดพาลาดอะไรไปก็ร่วมเกินท่านใดไปขอมาบด้วยนะครับ ก็อันว <t> ่าดวยชุมกัสสุวรรณเขาทำไมทำด้วยกระชาดูไลแรงตะซุกตูไรสลามตมุลละวระกาศทครับผม